กับเนื้อกับตัวเมื่อปลายผัวน้องไม่ลืมคำมืนใช่ตัวน้องห่างเพียงสองสามวันใช่จะมีไม่ปลันไม่ต้องวันสสืนอมมอนเอ้ยมอนเคยนุนนอนเป็นอาจิน จำใจจากนอไปจับปืนเป็นทาง ว่าจะท่านให้กระบาลหาน้องบางพี่ไกลน้องไปสองปีกลัวพี่ห่างหากเปลี่ยนใหม่ะทุกอย่างถ้าพี่รักจางจะกินยานตาย ติดราชการว่างจากัานให้กลับบ้านหาน้องบ้างพี่ไกลน้องเป็นสองปีกลัวพี่ห่างหากเปลี่ยนใหม่สถทุกอย่างถ้าพี่รักจางจะกิน